อยู่นานแค่ไหนก็ไม่อยากตายอะไรอย่างเงี้ยเสียดายเพราะอะไรความตายเนี่นำความสูญเสียมาให้เสียอะไรเสียร่างกายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียกระทั่งชื่อเสียงะจเดิมชื่อนี้ต้องไปเกิดใหม่มีชื่อใหม่แล้วอยากใช้นามสกุลเดิมเขาก็ไม่ให้ใช้ละสูญเสียสูญเสียทรัพย์สมบัติสูญเสียครอบครัวญาติมิตรสูญเสีย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 ที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราคอยรู้สึกกายคอยรู้ส agora, ึกใจบ่อยๆคอยดูกายดูใจทำงานบ่อยๆนะต่อไปพอมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในร่างกายนะสติจะระลึกรู้ข응ึ้นอัตโนมัติมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตใจสติจะระลึกรู้ขึ้นโดยอัตโนมัติสตินมีลักษณะเป็นสภาพธรรมที่ทาหน้าที่ระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ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 เมื่อเราอยู่ริมแม่น้ํานะหรือเราอยู่ในเรือเราชะโงกลงไปดูในน้ําแล้วตกน้ําลงไปนะเราจะเห็นสิ่งต่างๆในน้ําได้ไม่ชัดเมื่อเราตกลงไปอยู่กับมันซะแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่บนบกหรืออยู่บนเรือเรามองลงไปในน้ํำเราเห็นอะไรต่ออะไรในน้ําได้เยอะแยะเลยเวลาที่จิตจะเดินปัญญาก็เหมือนกันถ้าจิตถลําลงไปที่ตัวอารมณ์แล้วจะเห็นอารมณ์ได้ไม่ชัดแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากจากอารมณ์นะจะเห็นอารมณ์ชัดนะ